อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค้ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมรับอรุณ กลับมาเสนอให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าตั้งแต่ต5ห้าถึงตีห้าครึ่งค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะต้อนรับวันใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นประโยชน์โดยตรงทั้งในด้านของความสุขใจอย่างแท้จริงแล้วก็การดํารงชีวิตเนี่ยให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันผ่านรายการธรรมารับรุณ์นี้เป็นประจํานะคะเราเออกอากาศจากกรุงเทพมหานครทั้งสองคลื่นค่ะ ทั้งและ FM อะแล้วก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนต่างจังหวัดของเราอีกประมาณ ร้อยกว่าสถานีด้วยนะคะดังนั้นก็เชิญรับฟังเชิญเป็นแฟนประจำกันได้นะคะทางสสวส่วนกลางกรุงเทพหานคอนี้ก็จะคลื่น FM 92.5 m h เมกะเฮิร์ค่ะแล้วก็ AM ก็8 9 1กาิโลเฮิร์นะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่อยู่ในส่วนของต่างจังหวัดถ้าหากว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดของท่านไม่ได้ถ่ายทอดรายการตรงจากกรุงเทพอยากจะตามรับฟังรายการ มารับอรุณโดยพระเดชพระคุณพระอาจารย์ไพบูุญอภิปุโนะ อ, องค์ปาถกประจํารายการของเราได้เสนอเป็นประจําโดยในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ดิฉันก็จะได้มาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะสกักษาหรือว่าสนทนาธรรมะกับท่านพระอาจารย์ไพบูุญพระอาจารย์ของเรานะคะก็สามารถรับฟังเปลี่ยนเป็นระบบ AM นะคะเพราะระบบ AM เอ็มเน่ยคลื่นวิทยุจะไปได้ไกลามากเลยแล้วก็ แม้ว่าเสียงไม่ดีเท่า FM นะคะแต่ว่า AM นั้นก็จะคิดว่าท่านฟังทราบดีว่าพลังของอความถี่นั้นเนี่ยทะลุทะลวงไปผ่านเขาแม่น้ำอะไรต่างๆเนี่ยครอบคลุมไปทั่วประเทศเลยนะคะ AM 918 GHz ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราพบกันเป็นเช้าวันเสาร์ที่21เมษายนพุทธศักราช2555นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น1ข่ําำเดือน6 ปีมาโรงค่ะเราก็ขอนำนําม่งทางบ้านนะคะมากราบน้ำมการแล้วก็จะสากระชาหรือสนทนาธรรมะกับท่านพระอาจารย์ไพบูลอภิวุนโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีกเล้นตามพุทธวจนะของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีนะคะมีพระเดชพระคุณหลวงพอ่อดรสะอาดที่โตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรอนผู้ที่มีจิตเม่ตายอย่างสูงเนี่ยนะคะเป็นท่านเจ้าอาวาสประจํำวัดนี้ค่ะมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะขอนํานมากราบน้อมสักการพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโ น, โนพระอาจารย์ของเราพร้อมกันนะคะกราบน้อมสักการเจ้าข้าพระอาจารย์เจ้าขาเชนพานสาธุเจ้าข่าสําหรับ วันนี้ที่เราจะคุยกันนะเจ้าคะ่ะเพราะว่าสาห์ทีที่แล้วก็สัญญากับท่านผู้ฟังนะเจ้าค่ะว่าเนเื่องจากเดือนนี้เนี่ยเดือนเมษายนเป็นวันมีวันครอบครัวมีวันผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นวันหยุดยาวอะไรต่างๆนะเจ้าคะ่ะดังนั้นก็จะมาพูดเรื่องครอบครัวกันต่อนะเจ้าค่ะ อ่โดยที่ว่าเรื่องทิศต่างๆอะไรต่างๆแล้วเนี่ยแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่ว่ามีท่านผู้ใช้นาำว่ากุลอิทธิพลเนี่ยเจ้าค่ะ<ช>ได้เกียิถามมาผ่านเว็บไซต์ของท่านพระอาจารย์ดังนั้นเนี่ยก็อาจจะนำมาพูดคุยสอบถามแล้วก็ให้ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้พูดคุยเพิ่มเติมดีไมเจ้าคะได้ได้ไดาธุเจ้าค่ะยมขออนุ ญ, ญาตอ่านเลยนะเจ้าคะได้ คุณอิทธิพลเขียนถึงพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนของเราผ่านทางเว็บไซต์บอกว่าท่านมีปัญหาคาใจอยู่นะคะสองเรื่องเรื่องแรกอย่างนี้เจ้าค่ะบอกว่าก่อนตายถ้าเรานึกถึงแต่สิ่งที่ดีก็จะไปดีเหมือนช่วงนาทีทองเลยและถ้าหากคนทำชั่วมามากมายเลยเพียงรู้เทคนิคนี้นิดเดียว ก็จะไปดีเหมือนกันหรืออันนี้คุณอิทธิพลสงสัยขาดใจนะคะอันนี้ขอตอบคําถามข้อแรกนี้ก่อนได้เจ้าค่ะอิทธิพลเลยเจ้าค่ะคือเรื่องนี้ถ้าถ้าคือคําถามเนี่ยถามว่าใช่หรือไม่นะก็ตอบว่าใช่คือระบบเรื่องนี้เป็นอย่างนี้พระเจ้าเคยเคยพูดเอาไว้คือมีพราหมณ์คนหนึ่งก็มีความรู้มียานวิเศษในการที่จะมองอดีอดตอนาคตได้ เจ้าค่ะก็ก็มีเพื่อนอยู่สองคนคนทั้งสองคนเนี่ยตายไปแล้วนักคนหนึ่งทําดี แ, แต่ว่าปรากฏว่าไป น, นรกอื<ม>ท<ำ>ําทําดีมาตลอดรักษาศีลอะไรต่างๆไม่ได้ค่าสัตว์รักษาอะไรแต่ว่าก็กลับไปนรกอีกคนหนึ่งนะกินเหล้าเมาเบีย้ทําอะไรไม่ค่อยดีแต่กลับไปสวรรค์<ม>เขาสงสยัยข้อนี้มากเลยก็เลยมาถามราพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้านิ่งไม่ตอบพอนิ่งไม่ตอบอย่างนี้แล้วเนี่ยอพระรมองค์นี้เขาก็เดินหนีไปแล้วก็ไม่เข้าใจละก็เดินหนีไป กฏว่าท่านพระนรนก็อยู่ในที่นั้นด้วยต่อท่านพระนรนก็เป็นบุคคลผู้ฉลาดเป็นผู้อุตสูตใช่ไหม<จ>ก็เลยถามพระเจ้าว่าเอ๊ะพอจะทราบได้ไหมว่าทําไมเป็นเช่นนั้นเพราะว่าตัวท่านพระนรนเองก็ได้เคยได้ยินกิติศัพท์ของพระรมองค์นี้ว่ามีเครื่องรู้เครื่องเห็นพิเศษใช่ไหม<จ>ก็เลยประทามพระเจ้าเขาบอกพระเจ้าเขาบอกเอเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคือจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายคือเดินใจสําคัญมากจิตจก่อนที่เราจะละอ่าลาจากร่างนี้ไปจุะถ้าจิตนี้เนี่ยเป็นจิตบวก นะเราก็จะไปสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเป็นที่ที่เป็นสุกติถ้าจิตนี้เป็นจิตลบนะคุณก็จะไปสู่ที่ทุกติภูมิเช่นนรกกาเดิดไรชาญปรตวิสัยนะเจ้าค่ะเรื่องนี้เนี่ยพราหมณ์คนที่เขาตายไปเนี่ยคนที่เขาทําบาปทําชั่วอะไรมาเนี้ยที่เขาไปสวรรค์เนี่ยเพราะว่าไอบาปความดีที่เขาทําในก่อนก่อนก่อนู่นเนี่ยตอนไหนสมัยเด็กๆที่เขาสมัยชาติที่แล้วอะไรอย่างตานี่ยเขามาระลึกได้ตอนช่วงที่เขาจะตายจิตสุดท้ายพอเขาระลึก ตรงนี้ได้เนี่ยทำให้ผลของตรงนี้ทำให้เขาไปสวรรค์เจ้ค่ ะ, ะแต่ส่วนพรามคนที่สองที่ว่าทำดีมาทั้งชีวิตนี่ทำความดีอะไรต่างกษารสีให้ทานบ้างแต่ท้าสุดท้ายทำไมเป็ น, นรกแต่เพราะว่าช่วงสุดท้ายจิตของเขาเนี่ยดันไป น, นึกถึงกรรมชั่วที่เขาเคยทำมามคแค่นี้เหงเขาเลยไปตกนรกเป็ น, น, นอย่าีอยู่ที่จิตสุดท้ายนี่คำถามก็คือว่าอ้าวรู้แล้ว แกก็คือว่าทั้งนั้นเราก็กินเล่นเที่ยวดื่มนะเต็มที่เลยแล้วนะตอนสุดท้ายเนี่ยค่อยไปเอาไปค่อยไปแก้กันตอนนั้นอืค่อยไปแก้ไขว่าเออฉันพยายามคิดให้ดีคิดเป็นบวกอาจารยมาต้องถามงี้คุณเดือนชัเอาแค่ว่าปีหนึ่งสามร้อ้าวันนะนับจากนี้บายถอยหลังไปสามริห้าวันเราไม่ได้จําเหตุการณ์ได้ทุกวันในสามรสิบห้าวันหรอกก็้าใจไหมสมุติปีสองห้าี่อย่างเนี้ย เราไม่ได้จําเหตุการณ์ได้ทุกเหตุการณ์ในปี2องพันห้ร้อะคุณเตใ จ, จคคในสิบเดือนคุณไม่ได้จําได้ทุก12เดือนนะเอาแค่ว่าในเดือนหนึ่งเนี่ยใน12เดือนเนี่ยคุณอาจจะจําเหตุการณ์ที่อยู่ใน30วันเนี่ยได้สัก1หรือ2เหตุการณ์ ค, ค, คือสมมุติวันไล่ไปจากวันหนึ่งก่อนนะในวันนี้เหตุการณ์ทั้งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเราทำงานแค่สิบสอชั่วโมงอย่างเงี้ยคุณไม่ได้จำเหตุการณ์ได้ทั้งหมดสิบสองชั่วโมงนะคุณจำเหตุ แต่ว่าในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยคุณก็ไม่ได้จําได้ทุกๆ 2- 3เหตุการณ์ในของทุกๆวันนะคุณก็จะจาได้สักสอถึงสาเหตุการณ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมทีนี้ในเดือนหนึ่งล่ะคุณก็ไม่ได้จําได้2อสาเหตุการณ์ของทั้ง4สัปดาห์นะคุณก็จําได้แค่2อสเหตุการณ์ของทั้งเดือนเท่านั้นเองบางคนจําไม่ได้เลยจ้ะค่ะหรือว่าในปีหนึ่งเนี่ยในปีหนึ่งเราไม่ได้จําได้2อสาเหตุการณ์ของทุกๆเดือนนะเราจําได้แค่หนึ่งหรือ2เหตุการณ์เท่านั้นเองที่เป สำคัญสําคัญทั้งที่บวกและลบนะถ้าคุณทําดีมากๆคุณก็จำเหตุการณ์นั้นได้ถ้าคุณทําชั่วมากๆคุณก็จำเหตุการณ์นั้นได้ถามว่าในชีวิตคุณน่ะชีวิตหนึ่งแต่คุณไม่ได้จาได้ทุกเหตุการ์หรอกแต่เหตุการณ์ที่เด่นๆนะเด่นทั้งดีหรือเด่นทางลบก็แล้วแต่เราจะจําเหตุการณ์นั้นได้สิ่งนั้นจะมาปรากฏต่อคุณตอนที่คุณจะตายเพราะฉะนั้นถามว่าความน่าจะเป็นนะถ้าเราทําดีมากๆความน่าจะเป็นที่เราจะไปเลื่อนถึงกรรมดีได้มันมีมากกว่า เ้าคุณทําชั่วมากๆความน่าจะเป็นที่คุณจะบรรลุถึงกรรมชั่วได้มันก็มีมากกว่าจุ๊ค่ะแล้วเรากําลังพูดถึงความน่าจะเป็นนั่นที่เราจะสามารถควบคุมจิตสุดท้ายของเราได้จุ๊บค่ะนี่แล้วคนไปหวังว่าอจิตสุดท้ายฉันจะควบคุมได้นะหวังว่าฉันจะไปดีตอนที่ฉันจะจิตสุดท้ายเนี่ยนะโอ้คุณคิดิดคุณประมาทเอาแค่ okay, ว่าตอนนี้ะเอมันเอามันยากเอาแค่ว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้คุณลองคิดดูขอแค่ว่าคุณจะอยู่นิ่งๆกับลมหายใจไม่คิดอะไรเลยสักห้านาทีคุณทําได้ไหม โอ้ oh, บางคนทําไม่ได้เลยนะเจ้าค่ะเจ้ไ ม, ไม่ได้ฝึกมาทําไม่ได้ไม่ต้องพูดถึง5นาทีเลยเอาแค่2นาทีคือคือบางคนเนี่ยทําได้อยู่แต่ไม่ได้ตามตามที่สั่งคือดิดนี้ปุ๊บคุณทําได้เลยมันไม่ได้นะจะต้องแบบบรรยากาศดีๆกินข้าวพอประมาณไปอยู่วัดนิ่งๆไม่ต้องคุยกับใครเอาเฉพาะเวลาเช้าตอนสายจะไม่ได้มันจะเป็นอย่างนี้ คุณไม่ได้ทําได้แบบสั่งได้ตลอดเวลาทีนี้ไอตอนตายเราไม่รู้ว่าจะตายตอนเช้าตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนสายวันหยุดว<จ>ันเสาร์อาทิตย์น้ำมันไม่รู้เพ<จ>ราะฉะนั้นถามว่าถ้ามันตายตอนจังหวะที่เราควบคุมไม่ได้พอดีอารมณ์เราไม่อยู่ในในมูที่มันจะควบคุมได้โอ้เราซวยมากเลยแล้วเพราะฉนั้นอย่างตอนคนแก่เนี้ยเพื่อนเอ้ยลูกหลานเลยเขาก็ไปมีครอบครัวกันหมดแล้วเราอยู่คนเดียวเพื่อนเราก็ตายไปหมดแล้วอะถามว่าคุณจะอยู่กับใครในยิ่งเฉพาะคนที่ไม่มีลูกหลานอย่างเงี้ยคุณจะอยู่กับใคร ถามว่าวันผู้สูงอายุอย่างเงี้ยโอ้ยคนอื่นก็มีลูกหลานมาเยี่ยมไ อ, อ้ฉันไม่มีใครมาเยี่ยมเลยคุณอยู่กับใคร <Okay. S 1> ใคําตอบง่ายๆตอบให้คุณมีลูกหลานมาเยี่ยมหรือคุณไม่มีลูกหลานมาเยี่ยมแในบางทีลูกตายก่อนพ่อแม่บางทีพ่อแม่อตายหลังลูกอย่างเงี้ยคหลานตายก่อนปู่ย่าตายายก็มีถามว่าเมื่อเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ผู้เช่าให้อยู่จริงๆเนี่ยไม่ได้อยู่กับบุคคลอื่นนะแต่อยู่ในกายอยู่ในเวทนาอยู่ในจิตนึกอยู่ในธรรมสิ่งอย่างนี้คืออยู่ในลมหายใจ ถามว่า<จ>คุณต้องมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่คือลมหายใจก่อนคุณจะตายคุณก็เรมีลมหายใจเป็นอันสุดท้ายนะใช่ั all, ้มคือพอลมหายใจเราหมดไปแล้วเนี่ยร่างกายเราจะเริ่มไม่รู้สึกละเริ่มชาแขนขาหวัวตัวต่างๆชาไปหมดเนี่ยลมหายใจสุดท้ายนั้นน่ะจะเป็นลมหายใจที่คุณคิดดีหรือก<จ>ินไม่ดีเพราะฉะนั้นถามว่าลมหายใจก็จะอยู่กับเราเป็นอย่างสุดท้ายไม่ใช่ลูกหลานนะบางทีลูกหลานมาไม่ทัน อ, อบางทีลูกหลานไปอยู่อีกที่หนึ่งบางทีคนที่อยู่กับเราขับเป็นคนอื่นไม่รู้ใครหมอพยาบาลเป็นอย่างนั้นไป ถามว่าคนที่จะอยู่กับเราสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือลมหายใจของเราแล้วตัวของเราเองด้วยใช่ก็คือตัวของเราเองนั่นแหละคุณเตือนใ จ, จแล้วถ้าเราไม่รู้วิธีอยู่กับลมหายใจนะคุณบอกอยู่กับลมหายใจโอ้ง่ายฉันอยู่มาตั้งแต่เกิดแล้วอ่ถามว่าคุณรู้ลมหายใจอย่างเดียวโดยไม่คิดอย่างอื่นได้ไหมผมมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่ดีดนิ้วปุ๊บคุณทําได้ปั๊บ มัน <c oughs> มันมันต้องมีเทคนิคมันต้องมีรายละเอียดมันต้องมีระเบียบขั้นตอนที่มันจะมาอยู่ตรงนี้ได้ต้องมีความชำนาญต้องมีความเคยฝึกพแต่ถ้าพระเจ้าจึงบอกว่าคุณอย่าเป็นผู้ร้อนใจในภายหลังแต่อยเป็นผู้ประมาทเมื่อความแก่มาถึงแล้วเราจะทํางานให้เราอยู่เป็นผาสุขอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ดีที่คุณที่ที่ผมถามมาคืออย่างน้อยก็เป็นยงคนมีสมาทิฐิที่วา่าเชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีดึงต <c oughs> ามข้อมูลนี้นะ <c oughs> คือบางคนเขาเชื่อว่าตายแล้วก็จบกันไปก็ก็จะไม่ถามคําถามประเภทนี้ออกมา น, นี่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่ง เจ้าค่ะทีนี้อันนี้โยมขอเสริมนิดได้ไหมเจ้าค่ะว่าสิ่งที่พระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนได้เมตตาสาักฉาามาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเนื่องจากตอนเรียนปริญญาตรีโยมเรียนวิชาจิตวิทยาเป็นวิชาเลือกนะเจ้าค่ะดังนั้นเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าจิตใต้สํานึกหรือว่าสับคอนเชียสของเราเนี่ยเจ้าค่ะซึ่งมันจะอยู่นอกเหนือการควบคุมเราไปสั่งอะไรไม่ได้แต่มันจะอยู่ลึกๆภายในดังนั้นโยมเชื่อว่าเนื่องจากโยมก็ได้ได้รับความเมตตาได้ ได้เป็นลูกศิษย์ของอพระอาจารย์หลวงพ่อดออรสาอาธทิโตภาโสด้วยแล้วก็พระพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนโด้วยซึ่งได้ทรงเมตตา ท, ที่ได้เมตตาสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่กับลมหายใจการทำเขาเรียกว่าเป็นอ น, นาปานาสติแล้วค่ะ เจ้าค่ะที่เป็นเครื่องอยู่อะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยโยมก็เห็นด้วยกับพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าคนที่ประมาทว่าอุ้ยสบายมากเรามีลมหายใจอยู่แล้วเดี๋ยวเราทําแบบเต็มที่จัดเต็มตอนมีชีวิตยอยู่เนี่ยหวานโมูลเลยเจค่ะได้ไดล้พรตอนสุดท้ายเราก็คิดเรื่องดีเดี๋ยวก็ไปสวรรค์เองอย่างเนี้ยเป็นการประมาทแล้วก็คิดไม่ถูกเพราะว่าการจะตั้งจิตจริงๆเนี่ยยากเจ้าค่ะหลายวันแล้วก็ใช้เวลาถึงจะทําได้ก็คิดดูอย่างโยมนะเจ้าค่ะก็ไปธรรมะมาอยู่แล้วเนี่ยขอ ย่ยกตัวอย่างใท่านบุปังได้เราฟังว่าไปปฏิบัติเนี่ยสามครั้งละที่วัดป่าดอนไห๋โศกซึ่งเป็นที่ที่ดีเลิศมากที่เท่าที่โยมเคยไปมาในหลา ย, ายที่เมื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยได้ฟังทั้งธรรมะจากพระโอษฐ์ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาได้ฟังพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไรบ้างกับสาวกเนี่ย ในการไปครั้งแรกของโยมนั้นเนี่ยยังยังยังเรียกว่าทำสมาธิได้ลหละตามที่พระอาจารย์บอกแต่ว่าถ้าจะหาได้จริงๆว่าลมหายใจเราจริงๆเนี่ยจุดที่พระอาจารย์สอนอยู่ในจมูกเนี่ยครั้งไหนนิยมยังได้วันที่สาของครั้งที่สล่าสุดเนี่ยเจ้าค่ะ จริงเจ้าค่ะเพราะว่าแต่ตอนนี้เนี่ยโยมโยมได้ละก็คือแบบว่าตอนนี้รู้ละเหมือนอย่างที่พระฤาษพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดได้เทศสอนนะเจ้าค่ะว่าพอเวลาเราอยู่เฉยๆเนี่ยเจ้าค่ะเวลายมอยู่เฉยๆหรือว่าทํางานทําการเนี่ยหรือแม้แต่เซ็นแฟ้มเนี่ยมันจะกลับมาที่ลมหายใจเลยเจ้าค่ะอัตโนมัติเลยอ่าเจ้าค่ะเป็นแบบนั้นอ่อย่างนี้เจ้าค่ะเออคือตรงนี้ที่คุณเตือนใจพูดถึงประเด็นที่ว่าอ่าจิตได้สํานึกใช่ไหมเจ้าค่ะตรงนี้คือสัพพนตรีสเนี่ยเจ้าค่ะพู้ะพุาพูดถึงอาสวัตร อาสวะนี่คือความเคยชินของเร า, านะว่าจิตของเราเนี่ยถูกอบรมบ่มนิสัยให้มันมีความเคยชินในลักษณะไหนซึ่งทําให้มันนิสัยของคนมันต่างกันไปนะมีสิ่งนี้มากระทบปุ๊บเขาสวนไปอย่างนี้ตอบกลับไปอย่างนี้ตอบสนองไปอย่างนี้ทันทีนั่นคือลักษณะของอาสวะของเขาเพราะฉะนั้นเราฝึกจิตของเราเนี่ยให้มีอาสวะในทางที่จะน้อมโน้มเอียงไปในนิพพานเนี่ยคือการอยู่กับลมหายใจเนี่ยคือคนแก่บางคนเนี่ยเหงาไม่รู้จะอยู่ยังไงไม่มีลูกหลานอยู่ก็เหงาห่วงบ้านห่วงทรัพย์สมบัติ แสดงว่าคุณยังไม่รู้ว่าวิธีอยู่กับลมหายใจคุณอยู่ยังไงจิตตกด้วยจะทำเศร้าหมองเ้าไปเลยจิตคุณถึงเป็นเหี่ยวเฉาเป็นลักษณะนี้ไป่คคแตเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกเราต้องฝึกคือต้องเป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจในภายหลังนะอย่าเป็นผู้ประมาทแล้วก็ไอาการนี้เนี่ยบางคนมันก็คือแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณตรจบางคนอาจะใช้เวลาฝึกสั้นแต่บาง ค, ค, คนอาจใช้เวลาฝึกยาวอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ความแก่กล้าของอินทรีย์ของแต่ละคน อืมเจ้าค่ะ <c oughs> และอีกอย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะโยมขออนุญาตกลับเรียนตรงนี้ว่า <c oughs> การที่ในทางพูดเราหรือว่าเท่าที่เราเห็นมาด้วยตานะเจ้าค่ะหลายๆคนที่ ประพฤติสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเจ้าค่ะอย่างเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ้างหรืออะไรเคยทำกรรมไม่ดีไว้เนี่ยออพอตอนลมหายใจสุดท้ายเนี่ยเจ้าค่ะยงเพื่อเคยได้ฟังมานะเจ้าค่ะว่าอย่างบางคนที่เอ่อที่เคยฆ่าฆ่าไกา่ฆ่าหมูอะไรอย่างเงี้ยจ้าค่ะจะร้องโกลนคลางแบบนั้นเลยซึ่งอันนั้นเนี่ยทุก พวกเราชาวพุทธเชื่อว่านั่นเป็นอกุศลกรรมที่เขาสร้างไว้เจ้าค่ะมันจะย้อนกลับมาตอนลมหายใจสุดท้ายเนี่ยเจ้าค่ะดังนั้นจึงหวังได้ยากนะเจ้าค่ะว่าใครจะมาว่าใช้ชีวิตตามสบายแล้วตอนสุดท้ายค่อยใช้เทคนิคอันนี้เจ้าค่ะ <c oughs> เรื่องนี้เห็นชัดเจนต่อ ม, มา ก, ก็เคยมีตัวอย่าง <c oughs> ใกล้ๆนี่เองในกํานันที่บ้านตําบลดอนไหนโศกเนี่ยก็เป็นกำนันเนี่ยนันตําบลเนี่ยนะ <c oughs> ก็สมัยตอนที่ดํารงตําแหน่งหน้าที่อยู่เนี่ยก็ไปฆ่าตัดตอนพวกที่ อยาเสพติดนะนะพอตอนตัวเองใกล้จะตายเมื่อปมานสิห้าปีที่แล้วเนี่ยก็ตอนก่อนตายนี่โอ้โหคุณเตือนใจเยสภาพนี่ดูไม่ได้เขาไปพลั่งเพ้อพูดถึงตอนที่ไอคนนั้นมันจะมารอบทำร้ายเราไปแอบฆ่าเขาอะไรต่างๆออกมาหมดเลยช่วงนั้นเลยในช่วงที่ตัวเองกำลังจะตายซึ่งแน่ใจเลยว่าไปที่ไม่ดีแน่นอนโจค่ะเจค่ะเห็นได้ชัดเจนเจค่ะดังนั้นเนี่ยคาตอบ ข้อนี้ของอคุณอิสิพลนี้ท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะกระจายแล้วละ่ะว่าต้องอยู่กับลมหายใจต้องทําดีมาตลอดอยูใใ่ในในในสิ่งที่องค์พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนนะเจ้าคะดังนั้นเนี่ยก็ให้มั่นใจได้ว่าลมหายใจสุดท้ายของเราจะดีแล้วนอกจากหมายถึงว่าไปในทางดีแล้วก็การที่บางคนนั้นเนี่ยอาจจะอะ ใช้เทคนิคอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยอันนั้นเป็นเพราะสิ่งที่ทําดีในชาติปางก่อนมาถูกไหมเจ้าคะก็คือว่ามันอาสวัของเขาเป็นอย่างนี้นะคือเขาพอจะเป็นระลึกถึงเรื่องดีแต่อย่างไรก็ตามไอ้สมมติเขาทําชั่วมาตลอดเนี่ยจีสุดท้ายเขาเปนึกเรื่องดีสมมุติฟลุกๆทําได้ขึ้นมานะกำลังตรงนั้นอย่างไรก็ตามก็จะไม่แรงจะไม่มากแสดงว่ากุศลธรรมที่คุณจะไปเนี่ยสุขติภูมิที่คุณจะไปเนี่ยมันก็จะสั้นมันก็จะน้อยมันก็จะไม่มีกํำลังมาก อเจ้าค่ะเอารเราไม่ต้องพูดถึงว่าชาติหน้ามีหรือชาติหน้าไม่มีนะอันนี้ถ้าคนรู้ก็พิสูจน์ได้ถ้าคนไม่รู้ก็ยกไปก่อนนะแต่ว่าเอาแค่ง่ายๆสมมุติวันนี้คุณโทรไปหาเพื่อนคุณสักคนหนึ่งแล้วก็ด่ามันเละเทะไปเลยด่ามันให้เละไปเลยคุณวางโทรศัพท์ปุ๊บเท่านั้นแต่คุณรู้สึกแย่เลยโอ้ฉันไปด่าเขาทําไมทำไมฉันพูดไม่ดีฉันมันแย่เอาเนี้ยคือผลที่เราเห็นได้ ท, ทันทีสมมุติว่าจังหวะที่คุณตายไปตอนนั้นนะคุณคิดไม่ดีแต่ทันทีละววยเลยเจ้าค่ะอ่า เห็นได้ชัดเจนเอาแค่ว่าจิตนั้นมันจะมีผลต่อเนื่องมาพระเจ้าใช้คําว่าวิบากคือผลที่เกิดในปัจจุบันเราคิดเรื่องไม่ดีผลที่เกิดขึ้นทันทีจิตคุณตกทันทีเราคิดถึงอาเราคิดถึงเรื่องแย่ๆคิดถึงเรื่องด่ากันว่ากันเรื่องยุ่งใจจิตเราจะขุนมัวทันทีอันนี้คุณเห็นได้ทันทีณวินาทีนั้นมันเหตุเกิดผลทันทีนะผลนี้ยังมีผลในเวลาต่อมาแล้วผลในเวลาต่อมาต่อมาอีกะอันนี้มันต้อง มันต้องไปเรื่องของกรรมแล้วเราก็จะมาพูดต่อกันได้ในเรื่องของกรรมในตอนนู้นก็นได้เนาะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามที่สองของคุณอิทธิพล น, นะเจ้าค่ะใช่ออบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติแล้วการที่พระถือพรหมจันทร์เป็นการฝืนธรรมชาติหรือไม่ครับ<อ>ถ้าใช่ คำว่าธรรมะคือธรรมชาติก็ไม่ถูกต้องสิครับอันนี้ เ, เป็นคำถามที่ดีนะเจ้าค่ะอันนี้ต้องกราบนิมนต์พระอาจารย์ไบบูลโอพิปุโ น, โนโซึ่งอายุสาสิบกว่าขวาเท่านั<อ>้นบวชมาแล้ว6พรรษาเจ้าค่ะนิมนต์ค่ะธรรมะคือธรรมชาติอันนี้ไม่ใช่บุติปัจนานะเลยเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าพูดถึงธรรมชาติคือคือธรรมะเนี่ยคือธรรมชาติเนี่ยเป็นคําพูดที่เราใช้พูดกันแต่แต่พุทธเจ้าพูดถึงธรรมะที่มีสี่แบบนะคือธรรมะเนี่ยเป็นของที่รู้ได้เฉพาะตน เป็นของที่เชิญคอุนเข้ามาพิสูจน์นะทำเองได้เองรู้เองเห็นเองเป็นของที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นที่พระเจ้าแบ่งธรรมะไว้นี่มีอยู่สี่ส่วน<ช>คือรธรรมะเป็นสิ่งที่ควรละก็มีเป็นสิ่งที่ควรรอบรู้ก็มีเป็นสิ่งที่ควรทําให้แจ้งก็มีแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรทําให้เจริญก็มีมีสอย่างเพราะฉะนั้นอย่างการเสพเมถุนอย่างเงี้ยสิ่งที่พระไม่ทําเนี่ยเป็นธรรมะที่ควรละนะไม่ใช่เป็นธรรมะที่ควรทําให้มากนะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ย เดีย๋ยวสมมติเราพูดถึงการสั ม, มเลเทเมาเป็นนางเลงผู้หญิงนางเลงสุ ร, ราการด่าว่ากาันพวกนี้เป็นธรรมะนะไม่ไม่ใช่โลกนะคือโลก mm hmm. ทั้งหมดเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนที่เราพูดกันว่าเรื่องโลกโลกนี่เป็นเรื่องลกโล ก, โลกนี่เป็นเรื่องธรรมะนะ<ช>ธรรมะตนะ้องอะไรงี้มันไม่ใช่ละคุณเข้าใจผิดนะพระพุทธเจ้าแบ่งธรรมะเป็น4ส่วนอย่างเรื่องสัมมเลเทเมานะด่า ก, กันว่ากันเป็นธรรมะที่ควรละนั่นะอย่างแรกเลยคือธรรมะที่ควรละ ควรละคือไม่ควรทําไม่ควรทำควรทำให้มันดับไปละมันไปนะกลุ่มพวกนี้คือตัณหาอวิชชาอกุศลธรรมทั้งหลายควรละทิ้งให้หมดคือมันอยู่ในโลกนี่แหละนะคือทั้งหมดเนี่ยที่ผู้เจ้าสอนนี่เป็นเรื่องโลกทั้งนั้นเลยนะเป็นเรื่องของโลกกับเรื่องเหนือโลกนะบัญญัติไว้สี่อย่างนะสามอย่างสามอย่างเนี่ยเป็นเรื่องในโลกอีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องเหนือโลกนะสามสองอย่างแรกอย่างแรกก่อนนะคือธรรมะที่ควรละแล้วก็อยู่ในโลกเราควรละ อย่างที่สองคือธรมมมรมะที่ควรรอบรู้มันจำเป็แฝงมากกับธรรมะที่ควรละสมมุติเราบอกว่าเราอยากทุกข์เราไม่อยากสุขเขอไปเราไม่อยากทุกข์เราอยากสุขอย่างนี้โจค่ะความทุกข์ความสุขตรงนี้เป็นสิ่งที่เราควรรอบรู้คืออย่างที่สองธรรมะอย่างที่สองที่เราควรรอบรู้รู้ว่ามันมีโทษยังไงมันมีประโยชน์ยังไงมันมีวิธีออกจากโทษของมันอย่างไรโจค่ะใช่ไมอย่างสมมุติเราพูดถึงประเภทตรงข้ามอย่างนี้หรือว <ER ่าการหาความสุขทางการมสุขกรรมารมณ์อย่างนี้เป็นของที่เราควรรอบรู้ ว่ามันมีโทษอะไรนะมันมีโทษเราก็ละโทษของมันซะนะมันมีประโยชน์ตรงไหนประโยชน์มันน้อยเราก็ละมันซะอย่างเงี้ยชุกค่ะนี่คือลักษณะที่2อนะอันที่สคือธรรมะที่ควรทําให้เจริญนะควรตะกัขอไปควรทําให้แจ้งนะคือนิพพานคือเรื่องเหนือโลกนะอันที่3คือธรรมะที่ควรทํำบ่อยๆแต่มากๆนะคือทําให้เจริญอันนี้คือมัรคหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างที่1อย่างที่2และอย่างที่4เป็นธรรมะที่เราเจอได้ในโลก ในอย่างที่สามนี่เป็นเรื่องเหนือโลกคือทั้งหมดสอย่างนี้คือเรียสสี่เพราะเราพูดถึงธรรมชาติสี่อย่างนี้ในอย่างของพระอย่างเงี้เราพูดถึงสิ่งที่เป็นกามสิ่งที่มันจะพาเราไปตกต่ำเราก็ละมันจ้ะจุกค่ะเพราะนั้นการไม่เสพม่ถุนนี้เป็นธรรมชาติของพระความปกติของพระอย่างคนปกติคุณเดินใจเขาไม่ลักขโมยกันเขามีผัวเดียวเมียเดียวเขาไม่พูดโกหกเขาไม่ดื่มสุรามอะไรเขาไม่พูดคำไม่พูดอะไรที่มันไม่ดี นี่คือปกติคนธรรมดาเขาเป็นอย่างนี้คนชั่วเป็น <Okay. S 1> ไงคนที่ไม่ธรรมดาชั่วๆใช่ไหมมันก็จะด่าเขาลักทรัพย์นะเปิดพูดผิดในการมพวกนี้ผิดศีลห้าศีลแต่ว่าความปกติเพราะงั้นความปกติของไข่กุญก็ปกติอย่างนั้นนะปกติของพระก็กลดหมผมเหลืองไม่เสพไม่ถุนนะ <Okay. S 1> ปกติของคารว่ก็เสพการมแต่มีประมาณคือเสพกรรมที่ไม่โกหกไม่ลักทรัพย์ไม่รู้ผิดในการมใช่ไหม คุณจะแต่งตัวเลิอดหรือลังการคุณจะมีเงินและทองอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของฆราวาสในเป็นความปกติธรรมดางราวาสในะอย่างไรก็ตามฆราวาสก็ควรจะละธรรมะที่กวนละในสะมมติว่าคุณอยากได้เงินมากใช่ไหมคุณจะไปป้นธนาคารอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะอะความอยากตัวนี้คุณควรละอย่างงี้ยนะเพราะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติให้ถูกอย่างนี้ว่ามันก็มีสีธรรมชาตินะ นะแล้วก็อยู่ที่ความปกติเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสองเรื่องมาจับด้วยกันคือ1เรื่องศีลซึ่งแปลว่าความปกติแล้วก็เรื่องของธรรมชาติคือธรรมะที่มี4แบบนะทั้งที่ควรละก็มีที่ควรรับรู้ก็มีที่ควรทําให้เจริญก็มีที่ควรทาให้แจ้งก็มีสี่อย่างนี้เนะจ้าค่ะดัง น, นั้นเราก็ควรจะรู้ อย่างจริงแล้วก็วินิจฉัยหรือพิจารณาไปในทางที่ถูกที่ควรถูกไหมเจ้าคะใช่ใช่เจ้าคะ่ะทีนี้ประเด็นของที่คุณอิทธิพลถามมาตรงนี้ก็จะต้องพูดเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าแล้วทั้งนั้นคนมาบวชทําไมเราก็มีธรรมชาติที่เสพกรารสบายใจนะอยากกินข้าวเย็นก็ไปกินร้านอาหารอะไรอร่อยก็ว่าอร่อยอ ร, อยอรอยก็ทําก็ไปอย่างเงี้ย<ช>น ะ, ะมีเงินมีทองสุขสบายก็ได้เหมือนกันทีนี้ผู้เช้าก็จึงเตือนว่าเออคือการปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ย มันมีสองวิสัยไงคือวิสัยสําหรับคารวาสใช่ไหมสมมว่าทักุนมเีเป็นคารวาสธรรมดาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ยังไปทํางานมีเงินเดือนนะแล้วก็มีความสุขทุกปีก็ไปเที่ยวต่างประเทศมีมีคู่ครองใช่ไหมแล้วก็ความสุขจากการกินข้าวเย็นอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณทําไดนะ้นี่ชื่อว่าคุณมีธรรมะละ นะคือถ้ารู้จักคุณแบ่งใจทรัพย์อย่างดีดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ดูแลลูกเต้ารักษาทซับแบ่งใจทรัพย์ให้ถูกเพื่อนก็มีแต่เพื่อนดีๆโอยคุณมีธรรมะมากเลยนะางดีกว่าหลายหลคนที่เขาโกงในที่ทํางานเอาของจากที่ทำงานไปใช้ที่บ้านแ ล, แล้วก็พูดหน้าอย่างหลังอย่างนึงเป็นคนคดในข้อ ง, งอนในกระดูกคดโกงเขาแล้วก็แต่งตัวใส่สูตรโกโก้พูดดีดีแล้วก็แบบแต่ว่าข้างในนี่เคลอะเลย แบบเป็นของเน่าหมักหมมก็มีนะเราบอกว่าวพวกนี้ไม่มีธรรมะนะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ลักษณะมีธรรมะแต่ว่าอยู่ปลูกเนคไทใส่สูตรพูดใจอย่างดีแล้วก็ทํางานอย่างดีอันนี้คุณดีแล้วจคะ่ะอ่าทีนี้ถ้ายังต้องการทําให้มันดีมากขึ้นนะก็คือเปลี่ยนเป็นสมณะวิสัยนะสมณะวิสัยเนี่ยการปฏิบัติที่จะให้อ่าขัดเหมือนกับสังที่เขาขัดอย่างดีนะอาจายเคยเห็นเห็นอ่า เขาเรียกว่าหอยมุกอย่างเงี้ยถ้าเราเอามาคือมุกเนี่ยถ้าใครเคยไปดูกระบวนการการทำของเขาเนี่ยมุกที่ยังอยู่ในตัวหอยเนี่ยมันมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสว่างสบายเท่าไหร่ ไม่ไม่ค่อยมันวาวสวย ง, งามะนะเจ้าคะมันยังจะมีความเคลอะของเมือกอะไรต่างๆของตัวหอยมุกนั้นอยู่แต่ต้องเอามาขัดแล้วอย่างดีนะใช้น้ํายาเคลือบน้ํายาแล้วมันจึงจะสวยงามออกมามีค่ามีราคาเช่นเดียวกาันพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบตรงนี้เหมือนกับการประพฤติปฏิบัติในเพื่อที่จะให้รู้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานถ้ายัางคุลเป็นอย่างกระวาสเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะแต่มันจะยากนะถ้าเราคิดว่าเออมันจะทําให้ดีขึ้นไปเนี่ยก็สมณวิสัย พระเจ้าเคยเปรียบเทียบอย่างนี้อถ้าจะเปรียบเทียบให้เข้าใจกับในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะก็คือว่าคนที่อยู่ทางคารวาสอย่างเงี้ยเราเปรียบเทียบกับการป้องกันประเทศชาติการสู้รบกับกิเลสอย่างเงี้ยคนที่เป็นพระอย่างเงี้ยก็เป็นทหารประจําการนะที่ต้องการฝึกมีหน่วยรบมีแนวหน้ามีการฝึกอยู่เป็นประจำแต่ส่วนคารวาสนี่ก็เป็นทหารแบบกองเกินทหารกองหนุนที่เรียกเฉพาะเวลาที่มีความจําเป็นอย่างเงี้ย อืมเจ้าค่ะแล้วก็คือเขาก็มีธรรมชาติของคนที่เป็นคาราวะในทางที่ถูกที่ควรอยู่ในสี่ั้นเจ้าค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าการที่ว่าเราเข้ามาดําเนินรอยตามพุทศาสนาแล้วเนี่ยจะต้องกลายเป็นคนล้าหลังแก่คร่าคลึ้อย่างนั้นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ถูกไหมเจ้าค่ะคนละเรื่องเลยเออเจ้าค่ะอันนี้ก็ต้อง ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็น้องๆ อ, อีกหลายๆคนที่อาจจะเข้าใจผิดด้านนี้แล้วอย่างเดือกว่าอือย่าเพิ่งไปเลยปฏิบัติธรรมะไปทำไมอุ้ยไปตอนแก่ๆค่อยไปนี่นะเจ้าคะอันนี้ก็ประมาทอย่างที่พระอาจารย์ว่าอย่างใช่เจ้าค่ะคือสรุปตรงนี้ก็ได้ว่าอย่างคนเราเห็นคิดว่ามีธรรมะที่ไหนก็มีนะ<ช>ตามตู้หนังสือที่ไหนก็มีวัดไหนก็มีวัดวัดใกล้ยอะๆทำให้เราประมาทว่าเออไปค่อยรู้ตอนแก่ๆต่เพราะว่ามันมีเยอะเกินไปแต่หารู้ไม่ว่าของมันดีเนี่ยเขาจึงพยายามที่จะให้คุณเข้าถึงได้ง่าย <น>ทำให้เราไปมองกลับว่าเออมันยังเข้าถึงง่ายเอาไว้ก่อนเนี่ยคุณประมาทไงแต่เราจริงจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเราจึงมีรายการธรรมะรัรุนเนี่ยที่ทางกรมประชาสัพันธ์เห็นความสำคัญให้มีอยู่ทุกวันทุกวันเลยเนี่ยเจ้าค่ะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ทรามฝั่ังทางบ้านนั้นได้มองเห็นทางธรรมนะเจ้าค่ะแล้วก็ฝึก ตัวเราเองแล้วก็ฝึกจิตใ จ, จเราเพื่อว่าเราจะได้เป็นผู้ที่มีความสงบสุขแล้วก็ไม่มีความร้อนใจทั้งทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในภายหน้านะเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องเจ้าค่ะเจ้าค่ะ อันนี้ก็คิดว่าเป็นคําตอบที่พระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนท่านพระอาจารย์ประจํารายการธรรมาราปรุลน์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ตอบให้ท่านผู้ถามคือคุณอิธิพลและก็ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอืนอ่นๆได้เข้าใจด้วยนะคะก็นับเป็นวันเสาร์ที่ได้ฟังเรื่องที่เป็นประโยชน์อีกแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านก็คงจะต้องไปลองลึกทบทวนดูนะคะในคำถามทั้งสองเรื่องอทั้งที่คุณอธิพลถาม มาทั้งเรื่องของการที่จิตสุดท้ายก่อนที่เราจะจะจากโลกนี้ไปกับการที่เรื่องของธรรมะกับธรรมชาติตามที่เพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์ภพยบุญอภิปุโนได้เมตตาสาธกฉามาแล้วนะคะค่ะท่าผู้ฟังคะถึงเวลาต้องลากันแล้วค่ะแต่ว่าเช้าในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่22เมษายนเราพบกันเหมือนเคยนะคะตีห้เหมือนเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะจะพูดคุยสนทนาต่อในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับท่านแน่นอนให้แนวคิดที่ดีแน่นอนแล้วก็จะทำํำ ให้ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจสงบอย่างแท้จริงมีความสุขในทุกเมื่อคือนาการนี้และการต่ อ, ตอไปคือสงบและเป็นสุขในใจจริงๆค่ะสําหรับเช้าวันนี้เรามากราบน้ำมศการขอบพระคุณและกราบน้ำมการลาพระอาจารย์ไพบุญวิพุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการของเราพร้อมกันเลยนะคะกราบน้ำมศการขอบพระคุณและกราบน้ำมการลาเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเด่นพรานลาทุเจา้าค่ะ